<ใ><ม>ากันตัง้ตงใจให้ดีสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เรามาฝึ ก, กจิตฝึกใจกันมารวมกันอยู่ในที่นี้ไม่ใช่มุ่งอย่างอื่นเพราะฉะนั้นให้มีสติสำรวมใจของตนให้ดิ่งเข้าไปภายในอย่าให้จิตมันส่งออกไปข้างนอก อยู่ตามธรรมดาแล้วมันไม่ค่อยสำรวมจิตกันเมื่อแกปล่อยจิตให้เรื่อนลอยไปทั่วดังนั้นเราจะมีข้อวัดปฏิบัติมีการประชุมกันอบรมอบรมมัอมันก็ใช่อย่างอื่นใดก็เพื่อฝึกให้รู้จักสำรวมจิตของตัวเองให้สงบ จากความคิดฟุ้งซ่านต่ตางๆนั่นแหละปัญหาของชีวิตมันก็มายุ่งยากกับจิตรวงนี้แหละถ้าเมื่อได้เผชิญกําเหตุอะไรต่ออะไรมาแนละ้วมันจิตนี่มันมุ่นความเสียใจก็มีความดีใจก็มี ถึงคราวได้ประสบกับเรื่องที่น่ายินดีพอใจมันก็ปื้มใจมันนั่งจิตได้ไม่อยู่จิตที่ไม่ได้ฝึกฝนถึงเวลามีเรื่องผิดหวังอะไรตัวันกระทบกระทั่งเข้ามาก็เสียใจครับแค้นใจ ไอคนทั่วไปนี้มันฆ่าตัวตายได้ง่ายเหลือเกินก็เพราะเหตุว่ามันไม่มีอุบายฝึกจิตเลยปล่อยให้จิตตกเป็นธาตแห่งตัณหาบางคนมีเมียหนึ่งแล้วไม่พอใจเอ้าไปติดต่อเอาอีกมเมียสองอีกเข้าไป ทีนี้ตนไม่มีปัญญาจะหาเลี้ยงเขาให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขได้เมียหลวงก็ต่อว่าเอาเมียน้อยก็ต่อว่าเอาขับแค่นใจหลายกว่ายิงตัวตายบางหลายก็ยิงทั้งเมียทั้งลูกลก็ยิงตัวตาย มูนี่มันล้วนตั้งแต่ม่นมีคุณธรรมอยู่ในใจทั้งนั้นแหละเมื่อมันไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจไม่ได้ฝึกใจสงบตั้งมั่นแล้วมันไม่มีปัญญาเลยมันไม่ไม่มีปัญญาจะหาเงินหาทองมาเลี้ยงตัวแล้วครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นถูกได้เพราะฉะนั้นอย่าไป สำคัญในเรื่องอื่นนะว่ายิ่งกว่าจิตใจจิดตดวงเนี่ยสำคัญยิ่งทุกคนต้องฝึกจิตตัวเองแม่จะไปครองเรือนก็ดีถ้าไม่ฝึกจิตนีให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีแล้วมันไม่มีปัญญาอะไรที่จะไปหาเงินหาทองได้ พอได้เงินทองมานินหน่อยก็สแสดงตนเป็นเจ้าชู้มาย่าแสดงตนเป็นนักสังคมอื่มเหล้าเมาสุราสนุกส น, นานกันพอเงินหมดแล้วก็เอาอะไรเนือด้อนมานี่มันเป็นอยู่นั้นน่ะคนที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจ เราพิจนารณาดูให้มันเห็นดังนั้นผู้ที่เด็กเข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนาแล้วต้องให้รู้จักรักษาจิตตัวเองให้ได้อย่าให้จิตันวนไหนวไปตามอารมณ์ต่างๆที่น่ายินดียินร้ายที่น่าโกรธน่าเกลียดต่างๆมานี่ ต้องฝึกหัดมีสติสมปัตญญาห้ามจิตของตนเลื่อยไปในขณะที่เป็นนักบวชอยู่ก็ดีอย่าไปปล่อยจิตให้วูวามไปตามเรื่องที่มากระทบกระทั่งต่า ง, างๆหมดนล้นะถ้าผู้ใดชำนาญฝึกจิตดวงนี้ให้มันตั้งมั่นโดยดี ไม่วันไหนไปตามเรื่องชั่วเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรในโลกอันนี้ผู้นั้นแหละจะตั้งตัวเป็นฝั่งเป็นฝาได้ถ้าเป็นผู้ครองเรือนก็ดีเพราะว่ากิเลสอนนั้นล้วนจะเป็นมารทั้งนั้นเลยเวลาจะทําความดีไปหาเงินหาทองให้ลําให้รวยไป เดี๋ยวมันก็บันดาลให้มีเรื่องชั่วมากรกระทั่งเอามีใครคนใดคนหนึ่งมาขัดขวางให้กิจการงานที่ดำเนินไปทั้งก้าวหน้าไปไม่ได้ตนก็ไม่มีปัญญาจะแก้ไขก็เลยเอาแต่โมโหโทโโเขา้าไปทะเลาะวิวาิกับคนอื่นเข้าไป ก็ให้เกิด <c oughs> ความอาฆาตบาไดไลต่อกันต่อจากนั้นก็นั่งไม่เป็นสุขนอนก็มาเป็นสุขแล้วสะดุ้งอยู่เลยกลัวแต่ศัตรูมันจะมาจองล้างจองผ่านเนี่ยความไม่ไม่สำรวมจิตไม่ฝึกจิตของตนให้หนักแน่นปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆมันมีแต่ทุกข์เลยให้เข้าใจ มัวอยู่ก็เหมือนกันถ้าฝึกใจนี่ให้สงบห้ตั้งมั่นไม่ได้ก็หาความสงบสุขไม่ได้อันจะเราจะอยู่ในโลกนี้จะไม่ให้มีใครมาสนเสริญมานินทาว่าร้ายต่างจึงจะอยู่เป็นสุขสบายได้อย่างนี้ผู้นั้นเข้าใจผิด ก็จะนั้นต้องทำความเข้าใจกับตัวเองใหม่เรื่องสรรเสริญเรื่องนินทาเรื่องความเสื่อมลาภเสื่อมยศความมีลาภมียศความมีสุขมีทุกข์มุนีมันเป็นทำประจําโลกมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนพระศ า, าสดาสทรงแสดงไว้ในโลกธรรมแปดอย่างนั้นน่ะ ฉะทุกคนต้องเรียนรู้อย่าไปนอนหลับทับสิิ์อยู่เฉยๆคาสอนของพระเจ้าน่ะล้วนแต่เป็นเครื่องชี้หนทางออกจากทุกข์ให้ทั้งนั้นนี่เช่นอย่างโลกธรรมแปดอย่างนี้ใครเรียนรู้แล้วมันก็จะรู้ความจริงของชีวิตนี่เลยวะนี้เอชีวิตนี่เกิดมาในโลกเนี่ย จะไม่ให้คนสรรเสริญและนินทาไม่ได้เลยมันต้องมีไม่มากก็น้อยเรื่องนี้ให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเขาสรรเสริญยอ้อนมอยออมาเราก็ไม่ดีใจไม่ลืมตัวไม่ไม่สาคัญว่าตนดีวิเศษเหมือนอย่างเขาสรรเสริญตนจะวิเศษหรือไม่วิเศษมันอยู่ที่ตนตนเองเป็นผู้รู้เรื่องของตนเอง ดีกว่าผู้อื่นรู้ถ้าเป็นลูผู้วิเศษจริงก็จะไม่วันไหวกับคำสรรเสริญ น, นั่นเลยไม่ยินดียินร้ายอะไรเพราะคำสรรเสริญมันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแต่ความจริงใจนะ่มันไม่ขึ้นไม่ลงไม่สูงไม่ต่ำอะไรมันอยู่อย่างนั้น จานั้นเมื่อมีใครนินทามามันก็อยู่แค่นั้นแหละนินทาว่าไอาคนนี้ไม่ดีนะอย่างนี้มันก็ไม่ดีตามที่คนเขาว่าถ้าผู้ใดมีจิตตั้งมั่นลงไปด้วยดีได้แล้วควบคุมจิตตัวเองได้แล้วเขาว่าเราไม่ดีอย่างนี้มันก็ไม่ดีไปตามที่เขาว่าจิตใจ แต่ถ้าผู้ใดไม่ฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นต่อกุศลคุณงามความดีแล้วแน่นอนนะเขาว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีจริงๆเพราะคนเราถ้าทิ้งความดีแล้ว ม, มันก็ไปทำมันก็ไปทาความชั่วมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าทาถ้าหากว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีแล้ว มันก็ได้สเสวยความสุขอันเกิดจากผลแห่งความดีที่บังเกิดขึ้นในจิตใจนั่นมันก็ไม่หมุนไปทางชั่วแหละคนเรานะเพราะมันทำความดีแล้วมันมีนมความสุขนี้มีความเมื่อมีความสุขแล้วเรื่องอะไรจะหมุนไปทางชั่วล่ะมันก็ไม่ไปดังนั้น ทุกคนต้องพิจารณามันเห็นในระหว่างดีกับชั่วให้มันเห็นด้วยปัญญาของตนเองนะนั่นนความชั่วนะั้นมันมีพิษร้ายอย่างไรต่อบุคคลผู้สะสมไว้ในใจความชั่วนะั้มันมีอยู่เฉพาะใจของคนเท่านั้นนะมันไม่มีอยู่หายนอกหรอกความจริงนะ อันมันแสดงมาทางกายทางวาจามันก็ออกมาจา ก, กจิตนั้นถ้ามันไม่มีอยู่ในจิตนั้นแล้วมันก็ไม่มีอยู่ทางกายทางวาจาไม่ได้แสดงออกเลยย่งว่าดีชั่วมันออกมาจา ก, กจิตนั้นอย่าไปเข้าใจมันมาจากภายนอกอันเหตุภายนอกนะั้นน่ะเมื่อเรารู้เท่าเราไม่ยึดไม่ถือแล้วมันก็ไม่มีพิษมีสงอะไร มันก็ดับไปเองมันดีก็ดีชั่วกว็ดีอมันสำคัญอยู่ที่จิตนี่ซี่ไปเที่ยวยึดถื อ, อนั่นนี่ถ้าเขาสนับสริญมาก็ากาดีอกนีใจปลื้มใจถ้าเผื่อว่าเขานินทามาก็เสียใจแล้วมันนี่เลยขับแค้นใจแล้วไม่ต้องการใ้ใครนินทาว่าไรอะไรเลย บุคคลผู้ถูกโ ก, กธรธกระทาเหล่านี้ครอบงำย่ายีนะหาความสุขสบายใจไม่ได้เลยในสังเกตดูตัวเองนะทุกคนนะถ้าใครรู้ตัวเองว่าจิตของตนตั้งมั่นอยู่แล้วดีใครเสริญเสนญนินทามามันก็ไม่หวนไว้ไม่เสียใจไม่โกรธไม่เกลียดอะไรมันรู้เท่าทันได้ มันอดกั้นทนทานต่อคำด่าว่าเสียดสีต่งตางๆได้อย่างนี้นะผู้นั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายดีก็รู้ตัวเองรู้ตัวเองว่าตนสบายเพราะก็ไม่หวั่นไหวต่อสรรเสริญนินทาต่อสุขต่อทุกต่อความมีลาบเสื่อมลาบความียศเสื่อมยศยังไงนุรีนะ มันมันจัดเจริญด้วยยศโดยลาบก็ไม่ดีใจไม่เพลิดเพลินไม่อวดดีอดีกับใครนีวางตนเสมอเสมอไปนีถ้าเวลามันเสื่อมลาบเสื่อมยศลงไปก็ไม่เสียใจเศร้าโศกเพราะพิจารณาเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้แล้วว่าโลกกะระท8แปดอย่างนี้เป็น ของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันมีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีแปรปวนดับไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้มาเพ่งพิจารณาดูความจริงของโลกธรรมเหล่านี้แล้วจิตใจก็เป็นกลางอยู่แบบนี้นนนทำใจเป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งเวลาถูกโลกธรรมมากระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวนไหวแล้วแับนี้ มันรู้นี่ถ้าวันไหวไปแล้วมันเป็นทุกข์มันเป็นยงั้นมันเป็นทุกข์นอกจากเป็นทุกข์แล้วมันต้องให้ก่อกรรมก่อเวรต่อกันและกันสืบต่อไปก็่อนที่ยารนาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันมันก็ไม่หวนไหวไปตามจิตใจก็ตั้งเป็นกลางอยู่ได้ จะได้ยินเสียงด่าเสียงทอเสียงนินทาว่าร้ายอะไรต่ออะไรมาก็ตามก็ไม่ตื่นเต้นไม่วันไว้ก็เคยพูดอยู่บ่อยๆการภาวนาต้องพิจารณาลงไปให้มันถึงปรมาถ ธ, ธรรมถ้าไม่ถึงปรมาถ ธ, ธรรมแล้วมันก็ไปยึดถือขันธ์หน้า ว, ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นเลย เนมันยึดถือไว้ก็ไม่ยอมให้ใครมาด่าว่าติเตียนแม้แต่น้อยเดียวนั่นแหละลักษณะของของจิตใจที่มันยึดมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนน่อันนั้นแหละเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยถ้า พ, พระพุเจาภาวนาปล่อยวางขันห้านี้ลงได้ไม่ถือว่าเป็นของของตนแล้วก็นั่นก็มีเครื่องวัดอย่างว่านแ้วเนี่ย เมื่อใครสรรเสริญนินทามามันก็ไม่หวนไหวนี่มันก็พิจารณาเห็นว่าเรื่องคําสรรเสริญนินทาล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีแก่นสารอะไรเลยเมื่อจิตเราไม่ยึดถือไม่หวนไหวไปแล้มันก็ดับไปไม่ใช่มันตั้งอยู่ได้ของโม น, นี้มันตั้งอยู่ไม่ได้เพราะมันเป็นแต่เพียงอารมณ์หรือเป็นแต่เพียงเสียง ที่เปล่งออกมาเท่านั้นเองถ้าหยุดเปล่งออกมาแล้วมันก็ดับไปเสียงต่างๆหมดนั่นเสียงดีเสียงชั่วอะไรก็ตามเนี่ยพูดออกมาแล้วก็ดับไปพูดออกมาแล้วก็หายไปอยู่อย่างนี้นะเมื่อพี่นาเห็นอย่างนีนะ้จะวันไหวทำไมวะเ น, นี่ยนั่นเนี่ยผู้ผู้วันไหวแสดงว่าไม่เคยได้พิจารณาหลักความจริงเหล่านี้ ธรรมดาความสนเส ร, ริญนินทาในโลกอันนี้นะมันเป็นไปตามน้าของกิเลสของบุคคลเมื่อเขาไม่ชอบคนนี้อะไอย่างนี้ถึงแม้คนนั้นจะทำดีอยู่กระชั่งนะเขาเห็นความบุกเบ่องของคนนั้นน้อยหนึ่งมันก็นินทาเอาว่าร้ายเอาอย่างนี้เนี่ย ไอ้ความไม่ไม่พอใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็หาเรื่องใส่กันเรื่องไม่ควรที่จะปักปั้มกันให้เสียหายอะไรมากมายมันก็ปักปั้มเข้าไปความไม่ชอบกันเนี่มันเองั้นไอ้ผู้ที่ถูกต่อว่านินทาจิตใจกึ่หยุดในระดับเดียวกันกันกบผู้ติชินนินทาตอนอย่างนี้ เมื่อจิตมันอยู่ในระดัะดบเดียวกันแล้วมันก็ทะเลาะวิวากันหลยไม่มีใครยอมให้เอาภัยแก่ใครเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คนเราเนี่ย น, นะเรียกว่ามันภาวนาไม่อย่างถึงประมาท ธ, ธรรมมันจึงตกข้างอยู่ในตัวตนเราเขานี่อันนี้สำคัญมากเลย บางคนก็จะว่าอ้าวเราเป็นครืหรัดนี่อยู่ในชุมนุมชนหมู่มากเนี่ยได้ยินแต่เสียงสนั่ิสนินทาอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วใครไปอดได้จริงอยู่ร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่เที่ยงแต่ถ้าว่าจิตใจนั้นที่มันวันไหวอะ่ะ จะทำยังไงได้ก็จริงอยู่ถ้าหากว่าจิตใจไม่หัดปรงหัดตวางผันห้านี้ลงไปแล้วมันก็วันไหวกับเรื่องสรัเสริญอินทานแน่นอนเลยทีเดียวมันเป็นอย่างฮันเมืองมนะืนน่ะอันผู้ไม่วันไหวต่อทุกคำสนัเสริญนินทาเป็นต้นดังกล่าวมานี่ย น, นะก็ะพรอได้ภาวนาะอย่างลงถึงพระมา ธ, ธรรม ปรมามัตธรรมคือทำอันยิ่งทำอันยิ่งก็หมายความว่ารู้ยิ่งเห็นจริงในน้ำในรูปอันนี้ตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพจิตใจก็เฉยไม่ยินดียินร้ายกับขันห้านี้จึงเรียกว่าภาวนาอย่างลงสู่ปรมามัตธรรม ถ้าพระธรําปรารกฏแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอเสมออย่างนี้นะเรื่องอะไรนะจะไปหวั่นไหวกับสัรเนยคำสัมเิญนิท น, นทาความเสื่อมลาภเสื่อมยศความสุขความทุกข์อะไรต่างพวกนี้นะก็มันก็ไม่หวั่นไหวแล้วมันรู้อย่างว่านี้นะเพราะว่าลาภยศเป็นต้นอย่างที่ว่ามาแล้วนะั่นแหละมันก็อิงอาศัยรูป นามอันนี้เกิดขึ้นถ้าไม่มีรูปไม่มีนามอันนี้ราบยศสาะเสรนินทาความทุกข์ความสุขอะไรก็ไม่มีเลยเราพิจารณาให้มันเห็นนะมันไม่มีจริงๆนะมันจะมีที่ไหนอื ลองไม่มีจิตมาอาศัยขันห้านี่อยู่ลองดูสิมันจะมีอะไรขึ้นมาในโลกอันนี้มันจะมีใครสร้างศึกสร้างลามสร้างบ้านช่องถนนห น, นทางอะไรผิดเครื่องใช้ไม่ส้อยต่างๆมาเต็มร้านเต็มโรงอยู่บนะนะนั้นนะเริ่มมาลาพิจารณาดูให้จริงๆลงไปแล้วมัน อาศัยจิตตรงนี้มนาะอาศัยในขันห้านี่ฝึกจิตตรงนี้เข้าไปมันก็เกิดปัญญาขึ้นมันยึงสามารถทำโลกสันิวัตอันนี้ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อันนั้นเป็นทำโลกีนะเป็นปัญญาในโลกีปัญญาในโลกีนี่มันกรทําความเจริญให้แก่โลกสงสารอันนี้ อย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้แหละแต่ก่อนมาไม่เป็นอย่างนี้บ้านเมืองต่อมานี่มันก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็แสดงว่าคนเราน่น้เมื่อศึกษาเราเรียนเข้าไปมันก็เกิดปัญญาเลย น, เนัเนเ่ยเกิดปัญญาช่างคิดช่างนึกสอดส่องหา ผลทางเห็นความเจริญมองเห็นได้เลยมันเป็นงังนแต่คนสนมากเอาไปใช้แต่ในวัตถุไปแสวงหาแต่วัตถุเอา้าของเงินทองอันปัญญานี่นะไม่แสวงหาศีลธรรมบุญกุศลนั่นท่าเนเรียกว่าปัญญาโลกีปัญญาในทางธรรมบนี่ ปัญญาในทางธรรมนี้มต้องเกิดจากสมาธิจิตทำจิตให้เป็นสมาธิให้แน่วแน่เมื่อจิตตั้งมั่นด้วยดีแล้วออกจากสมงที่มาก็มีสติสมบทญญาประคองจิตของตนให้เป็นปกติเสมอไปอย่าให้มันหลงยินดีเย็นร้ายกับอะไรต่ออะไร เมื่อทำได้อย่างนี้ปัญญามันก็เกิดขึ้นแล้ววันนี้นะปัญญามันเกิดขึ้นก่อนอื่นมันก็มองเห็นขันห้าว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตานี่แหละเมื่อมันเห็นขันห้าี่ตามเป็นจริงแล้วมองนอกจากขันห้านี้ออกไปมันก็เห็นเป็นสภาพอันเดียวกันเลย ไม่แตกต่างกันนั่นเอยจริงเลยที่เดียวไม่แตกต่างกันอพูดถึงความจริงนะไม่แตกต่างกันแต่ถ้าว่าโดยสมมุติปัญญัติแล้วมีแตกต่างกันมีสีเขียวสีขาวสีดําสีแดงมีสูงมีต่ํา มีสวยงามมีขี้ร้ายมีของมีค่ามีของไม่มีค่าอะไรหมดนี่นะมันมีสมมติของโลกนะั่นแหละมันก็นมีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าความดีเหล่านั้นนะมันดีไม่ยั่งยืนอย่างเครือกลาบนี่นะี่แต่คนโบราณเพื่อสร้างกันมาไม่ใช่ย้อย啊นะ เมื่อทันถึงชั่วอายุคนนะบ้านเรือนนะ่ะสำรุจชุดโชมไปแล้วบางทีก็ได้ชั่วคนหนึ่งก็ขอสร้างขึ้นใหม่แล้วมันก็อยู่อย่างนี้แหละไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยแต่ตัณหานะบุคคลผู้ใดสะสมตัณหาให้มากขึ้นในใจมันจะเป็นเหตุให เกิดความอยากได้ของไม่เที่ยงนั้นนี่ยเห็นของไม่เที่ยงนั้นเลยว่าสวยว่างามว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขให้เขาประดิษฐ์ประนอยตกแต่งสร้างขึ้นมาอย่างสวยหรูสวยหลาอะไรอย่างวิจิตรพิศดารก็ไปหลงเขอตามโลกเขาได้หาเงินทะองไปซื้อกัน เช่นรถลาโมนี้นะบ้านเรือนหลังหนึ่งในเมืองในานาเนี่ยมีคนละสองคันสามคันก็เ น, น้นไปเห็นเขาสร้างขึ้นมาแบบใหม่ๆเกิดอยากได้ขึ้นมาเอาเอาของเก่าไปขายทอดตลาดลงไว้จะหาร้านขายเขาให้เขาตีราคาลงแล้วเอาเอาคันใหม่เพิ่มเงินให้เขาอีกเอาเข้าม่ไม่ใช่อยู่อย่างนั้นแหละ คนตกเป็นทาสของตันหาไม่มีสิ้นสุดเลยและตายแล้วไม่ได้อะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวทิ้งไว้ในโลกนี้ควรพิจารณาปรงสังเวทลงไปอย่างนี้แล้วเราก็จะได้มีปัญญาสอนใจให้ปรงให้วางขันห้าอันนี้และนอกขันห้านี้ออกไป ก็ขอแต่อาศัยมันอยู่ส่วนระยะหนึ่งเท่านั้นเมื่อขันห้านนี้แตกเหล่านั้นก็เล้วเรื่องไป <c oughs> ดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้